ขอความเจริญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายแต่รมปฏิญาในวันนี้ก็คงประรบเรื่องมารติตุสูตรสือตอนที่ที่ดามานทั้งสามอาสาบิดามาเพื่อยั่วยวนพระพุทธเจ้าโดยมุ่งหวังจะนำพระพุทธเจ้าไปสู่อำนาจของบิดาแห่งตนปะยะมานก็ให้สติพอสมควร แล้วก็บอกกล่าวสถานภาพของพระพุทธเจ้าให้ฟังแต่ที่ดามาันทั้งสามนะั้นไม่เข้าใจคำว่าอารหันต์ไม่เข้าใจคุณสมบัติของประหานก็ถือว่าผู้ชายเนี่ยต้องพ่ายแพ้ต่อผู้หญิงโดยวิธีการของพวกเธอซึ่งมีความจำนี้จำนานในเรื่องเหล่านี้เริ่ด้วยความเชื่อมั่นอย่างเงี้ยทั้งสามคนจึง ก็าสามตนนะฮะเนื่องจากเป็นเ ท, ทธิดาก็เรียกาสามตนเขาไปฟ้าพระผู้มีพระภาคแล้วก็กล่าวว่าข้าแต่สมณะพวกมองฉันจักขอบำเรอบาทของพระองค์พระเจ้าไม่ได้สนพระไทยอะไรในคำกราบทูลคำกล่าวของทิดามานทั้งสามเพราะว่าพระไทยของพระองค์นั้น ก็อยู่กับความสิ้นอุปธิคือกิเลสอย่างยอดเยี่ยมอย่างที่บอกไว้ในวันก่อนนะว่าคำอุปธินั้นก็เป็นคำรวมๆแต่ว่าเป็นกระบวนการที่มีความต่อนเนื่องกันก็บางครั้งตรงในที่นี้เน้นที่อุปธิคือกิเลสนะครัหมายความว่าพระองค์ไม่มีกิเลส ท, ที่เป็นเหตุให กำนัตเพื่อเกลืนชื่นชมยินดีอะไรต่างๆแต่อุปธิบางอย่างก็เป็นกรรมก็เรียกกรรมอุปัติตอนนี้เรียกว่ากิเลสอุปัติอุปธิคือกิเลสสรุปแล้วก็เป็นโลคกนหลงนะฮะแต่จะนับก็นับอีกเยอะเลยก็อย่างพวกมาราเสนาสิบมานที่เคยกล่าวไปนานแล้วนะพวกนี้ล้วนเป็นพวกอุปจิทั้งนั้นแล้วก็ กรรมก็คือการกระทำที่เกิดขึ้นจากแรงของกิเลสก็เป็นกรรมอุปิทิสติบางครั้งเนี่ยมันเป็นสังขารสังขารเองมันเป็นอุปธิโดยตัวของมันนะเพราะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากกิเลสแล้วก็กรรมอีกอย่างหนึ่งเนี่ยเราไปยึดถือมันมันก็ไปเชื่อมกับอุปาทิสคือกิเลส ก็ทำให้สังขารนั้นนำความทุกข์ความสุขมาให้แกเราตามสมควรแก่การยึดถือตอนเมื่อพระพุทธเจ้าไม่สนุษไทยนะก็รอลองนึกภาพมาเหมือนเหมือนคนไปยั่วยวนพระพุทธรูปเนี่ยก็ว่าไปเขาก็มีสิทธิที่จะทำก็ทำไปแต่พุทธรูปก็ไม่ยินดียินได้อะไรจิตใจที่มันฝึกปือมาขนาดนี้นะ ก็ที่จริงก็เหมือนว่าพุทธรูปมันนะคือไม่ยินดียินได้อะไรล้วลองสังเกตว่าเราเองก็เป็นนั้นมากนะที่เราชนะสิ่งเลวรหลทั้งหลายที่เราไปเกี่ยวข้องมาสมัยเป็นเด็กๆเพราะเวลานี้เราก็ไม่ยินดียินได้อะไร เช่นบุรีเล่าสิ่งเสพติดทั้งหลายแหล่งอบายมุขทั้งหลายอะไรแต่ไรที่เราเคยไปเที่ยวไปสนุกสนานมาสมัยหนึ่งเป็นเด็กเวลานี้มันก็ยังมีอยู่แต่ว่าความรู้สึกยินดียินร้ายในสิ่งเหล่านั้นไม่มีอยู่ภายในใจตอนแม่แต่นั่งรถผ่านเดินผ่านนะก็ไม่ใส่ใจที่จะดูที่จะเข้าไปคนเชิญชวนชักชวนจ่ายสตางให้เราก็ไม่ไป แล้วก็มาความวาสิ่งนั้นก็มีอยู่นั่นแหละแต่ทำไมไม่ไปละ่ะบุธิภาวะคือปัญญาของเรามันสูงขึ้นมันวินิจฉัยแยกแยะอะไรได้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรเนี่ยทีนี้พรุ่งนี้มันก็ก็เรียกว่าก็ลุยไปเรื่อยๆนะฮะคือแกก็นึกว่าวิธีการของแกนั้นจะตรงถูกต้อง ท่า น, นบอกว่าที่ดามานทั้งสามจึงได้ในเลมิตกายเป็นนางกุมารีคือหญิงที่ยังไม่เคยคลอดลูกหญิงคลอดบุตรคราวเดียหญิงคลอดบุตรแล้วสองคราวหญิงสาวใหญ่คราวละหนึ่งร้อยก็ไปควาพระพุทธเจ้าแล้วกราบทูลแสดงความตั้งนงดังกล่าวแต่ทุกอย่างก็กลายเป็นคลื่นกระทบฝัง่งในช่วงตรงเนี้ยในหนังสือ ที่แบ่งทวีปเอเชียที่เซอร์วินอโนนท่านใดเรียบเรียงไว้แล้วท่านก็อาศัยในยาตรงนี้เรียบเรียงเป็นคำกรแต่คำกรเนี่ยแสดงว่าคนแปลเนี่ยก็แปลเป็นคากรแล้วก็แปลได้เพราะต้องบอกว่ามนุษย์ผู้เวียนวงวัตสงสารจะต้องการสิ่งอะไรยิ่งไปกว่าต้องการเห็นแต่ความงามในตาต้องการกลิ่นสุคนธาที่ยุนใจ กินกุลาทราบส่านคารประสา萨กินได้อาดเทียมเทียบก็เปรียบได้เป็นกลิ่นซึ่งพึงหลวงดวงอันไทยให้ฝ่ายในสเสน่หากามารมความสมนานบานใจไม่มีค่าเท่าเริงกายหญิงลหลายสิ่ง่มเพราะได้เห็นรูปโฉบหน้าลมสมด้วยความกรมกรสสะอาอยังยีหยวน ค, ความกลมกลอบย่อมนําความกําหนัดเร้ามานัดเราา้เราตระหนัผาปั่นปวดเร้าโลหิตเร้วกระสันใหรันจวนต้อสิ้นล้วนล้วนเร้าเร้าให้ใจเฟื่องฟูฤทธิ์เร้ราเตือนฤทธิ์ร้ราเตือนเหมือนได้ไปสวรรค์คือพบชั้นที่พระเจ้าอยากเข้าสู่อันนี้นี่นี่คือกระแสะของโลกเราจะมองโลกมันเป็นมายามันหลอกลวงไปเรื่อยๆนะพรุงแต่งไปเรื่อยๆก็ว่าไปเรื่อยๆนั่นตามกระแสะของโลกที่จิตมันกําหนัด แล้วก็เพลิดเพลินแล้วก็ลุ่มหลงเราลองสังเกตว่าเราจะไม่มีเหตุผลในการนิจจ์จ่ายอาจารย์เคยสอนวันคดีวันคดีวิจารณวิจารในนักศึกษาก็ดูนะฮะเราก็เขียนเบัญชานอธิบายดูเร ล, ลองสังเกตแต่ว่าความงามในความคิดคำหนึ่งของสังคมไทยเนี่ยเป็นความงามที่เราถูกถูกล่านานิคมทางความคิด เราไม่ได้คิดต่อเลยว่ามันมันเป็นจริงและความงามอย่างนั้นนะ่ะมันเป็นจริงเยแล้วก็เป็นแนวควางคิดของของอินเดียที่มาครอบงำสังคมไทยอย่างในหนังสือยศกษษษษิจเป็นบทอะไรละ่ะคือบทเป็นเป็นแม่บทในการเขียนคำกรรูปแบบต่างๆมีตอนหนึ่งชื่ออะไรลืมชื่อไปแล้วแต่มันอ่านแล้วเราก็นึกํา ว่าเอ๊ะทำไมมันอยู่ได้เนี่ยสังคมใดทั้งนานแหะเป็นร้อยร้อยปีนะครับอยู่มาได้เนี่ยแล้วถ้าเราดูไอ้คากรอนต่างๆที่ครบพันนาสามงามทั้งหลายเนี่ยไม่ว่านางซีดานางโรจนานางอะไรพิมพาอะไรต่วอะไรต่างๆก็ตามมันพัฒนาแบบสามงามแขกอ่ะในวรรณคดีอินเดียพอเราเรียนในเรื่องเหล่านี้มาเยอะนะฮะนาตายารตอะไรต่วอะไรเราก็เรียนมาจากเรื่องนี้ เป็นการพัฒ น, นาถึงความงามของผู้หญิงถ้าลองถ้ลองนึกดูนะแล้วเราไม่ได้พิเคราะห์เลยเพราะถ้าเราถ้าเก็บภาพออกมาอย่างงนีน้มันจริงหรือเปล่างามแบบสมมติ ง, งานจริงหรือเปล่าจะงามพักเพียงจรรันทร์บุหลันฉายหน้าตาเหมือนก็ดวงจรรันตอนนึกดูว่าคนหน้าตามันดวงจันนี่สวยจริงหรือเปล่าจะงามเนตดดังหนึ่งในตาสายตาเหมือนตาเมื่อสายเนี่ยเอาเอ า, เ, อาเรียกว่าบอกฟังได้นะ่ะให้ผ่าน่ะ งามขนมงกลงละไม้ขันสอนสูงคิ้วเหมือนกับขันสอนจะงามนาสายนต์ควรข อ, อนี้ชัดมากเลยจะหมุกมือนก็ขอคือจะหมูกแขกชัดมากเลยจะมุกแขกจะมู ก, กแถวเนี้ยแถวตะวันออกดางเนี้ยจะบูุกแบบนี้ยนะจะงามสอดังคอสุพรรณหงคอยาวดังก็คอหานนะฮะคอหานคอหงคอหานลองนึกภาพดูนะฮะลองสะเก็ดภาพดูเลย จะงามกันดังกลีบุตรสบงขูเมืองก็กลีบดอกบวัวอย่างวงนาล่าเรียบระเบียบไรก็ว่าไปได้เรื่นะแล้วถ้าเราวิเคราะห์แต่ละบรรทัดแต่ละบรรคาใจเห็นว่าเราไม่เคยคิดเลยกวีเกาเขียนมากวีเองก็ไม่ได้คิดว่าที่เธอนําเสนอที่มันงามจริงหรือเปล่าเพราะในแนวตรง น, นี้ยแนวคํากลอนที่ที่ที่จริงก็เอามาจากนัยยะประสูตรนะะ เราจะเห็นชัดเจนว่อาอาอกมาจากนัยยะพสุตแต่ท่านก็ร้อยเรียงขึ้นมาด้วยภาษาของวันณคดีและในที่สุดพัฒน า, ามาอย่างเงี้ยมาทั้งหมดฮะเราจะเห็นว่าพราะเธอด้วยดวลด้วยผู้หญิงรูปแบบต่างๆโดยเข้าใจนะเธอคิดว่าผู้ชายเนี่ยชอบผู้หญิงคนละแบบกันนะอาจจะเป็นหญิงสาวรุ่นอาจจะเป็นสาวใหญ่อาจจะเป็นค้อดครั้งเดียวสองครั้งสามครั้งอะไรแต่ไรเนี่ย แล้วก็รูปร่างสูงต่ำดําขาวก็ว่ากันไปเป็นชุดๆเลยเป็นร้อยเลยก็คิดว่าน่าจะสะดุดน่าจะสะดุดสักคนหนึ่งทีนี้แนวความคิดตรงเนี้ยแนวความคิดด้วยโวนอย่างนี้ถ้าเรามองกลับไปในเหตุการณ์ต้นพุตสมัยก่อนที่พระเจ้าเสด็จออกผนวดเนี่ยตอนพระเจ้าสุดโท ธ, ธนะรวบรวมสาวงามในกรุ่มกบิลพัฒในกรุ่มเทวตหะมาให้รับของขวัญจากเจ้าชาตเิตาจะไดงความคิดแนวเดียวกัน หรความคิดของชาวโลกก็คือจะคิดอย่างนั้นมันคิดหลากหลายมายความเสนอสินค้าตัวเดียวในรูปแบบเยอะสีเยอะขนาดเยอะนะฮะแล้วก็มีจุดเด่นแตกต่างกันออกไปแตที่จริงก็คือสิ่งนั้นแหละนะสะบู่กลิ่นเหมือนกันหรือว่ากลิ่นต่างกันรูปเหมือนกันสีต่างกันกลิ่นต่างกันขนาดต่างกันนะเพื่อสรุปไปให้คนเชื้อแต่ว่าโดยความเป็นสบู่ก็คือสบู่นั่นแหละเพียงแต่ว่า คนบางคนชอบกลิ่นอย่างนี้ชอบขนาดอย่างนี้ชอบสีอย่างนี้มันก็ชอบต่างกันสบู่ก็คือสบู่ตัวคุณภาพนั้นไม่ได้ต่างแต่คุณสมบัติคุณลักษณะนะภาพลักษณ์ต่างๆนี่จะมีการปรุงสรรปรุงแต่งกันขึ้นไปเพื่อก็ไม่รู้ว่าสังคมเนี่ยลูกค้าเนี่ยมันเขาต้องการอะไรก็เอาหลากหลายเอาไว้เป็นบ่วงที่สารพัดบ่วงคือดักไว้ทุกๆบ่วง เพในนี้ก็คือวิถีของโลกและวิถีเดียวกันเราสังเกตวิถีการโฆษณาสินค้าตั้งหลายแม้แต่รถแม้แต่ขนมแม้แต่อาหารอ่แม้แต่สถานที่แม้แต่บ้านเรือนอะไรต่างๆจะมีการปรุงแต่งด้วยหลากหลายเขาเรียกว่าสีสันหลากหลายได้สีสันต่างๆก็ว่ากันไปเสร็จแล้วก็ตั้งคําถามพระพุทธเจ้าว่าเหตุใดโคโดมบรมครูจึงไม่รู้ทางไปที่คล้ายกัน ทำไมทำไมจึงไม่ไปทางนั้นแล้วก็ถามไปอีกเยอะนะฮะคือข้อความเนี่ยไปยาวในที่สุดพระเจ้าก็คงประทับนั่งใช้อยู่นั้นไม่ไม้แต่ยินดีนได้เลยก็ทําให้พวกนางกลับมาคิดกันว่าถ้าพวกตนเล่าโลมสมณพราหมณ์เหล่าอื่นที่ยังไม่หมดราคาด้วยความพยายามระดับนี้นะสมณพราหมณเหล่านั้นยังไม่หมดกรรมมาลคา่ะ แล้วก็พยายามด้วยวิธีการระดับนี้แล้วก็นั่งเฉยๆแบบพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาบอกหัวใจก็ต้องพรามเหล่านั้นพึงแตกกระอักเป็นโลหิตถึงความเป็นบ้าไปเลยแต่แปลกที่ว่าพระพุทธเจ้ามานั่งเฉยๆหรือแมกนก็บอกว่าฟุ้งซ่านดุจต้นออโ ส, สดถุกลมพัดขาดยอมเหี่ยวแห้งไปชั้นใดแต่ว่าพรามก็จะเป็นชั้นนั้น และในที่สุดมันก็เห็นว่าเอาวิธีนี้ไม่ได้แนละ้วมันก็แนวความคิดก็เรียกว่าไม่ได้ด้วยกล ด, ด้วยเลขเขาด้วยกดไม่ได้ด้วยบนเขาด้วยกระานะครปู่นางจึงพร้อมใจกันเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าอีกครั้งหนึ่งแล้วกล่าวถามกล่าวถามพระพุทธเจ้าว่าท่านถูกความโศกทับถมหรือจึงมาซบเซาอยู่ในป่าอย่างนี้ ั่าเสื่อมจากทรัพเครื่องปลื้มใจแล้วหรือหรือว่ากําลังปรารถนาอยู่ถามค่าค่ากันที่พ่อถามมานะเราสังเกตว่านั่นคือความคิดแบบชาวบ้านความคิดความคิดแบบสามัญชนน่ะสามัญชนก็จะคิดอย่างนั้นน่ะคนไปนั่งเฉยๆคนเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับใครเนี่ยเขาก็คิดอย่างที่เขาเขาเข้าใจอ่ะเป็นความเข้าใจของเขาเพราะฉนั้นทั้งทั้งหมดเนี่ยข้อความเราจะเห็นว่ามันเหมือนกับที่พ่อก็ถาม ท่านได้ทำความชั่วอะไรอะไรไว้ในบ้านหรือพระไรท่านจึงไม่ทำมิตภาพกับคนน้องปวงเล่านางตัะหากับทูลถามมิตรภาพในที่นี้ก็คือความสัมพันธ์ทางเพศนะฮะอาจารย์แก้เลยว่ากามสันทวะคือความเพลิดเพลินชื่นชมยินดีในทางเพศพูะเจ้ารับสั่งตอนนี้รับสั่งแล้วนะฮะ เราชนะเสนาคือรูปที่รักและรูปที่พอใจเป็นผู้ผู้เดียวเพ่งอยู่ได้รู้ความบรรลุ ป, ประโยชน์และความสงบแห่งอัตไทว่าเป็นความสุขเพราะฉะนั้นเราจึงไม่ทําความเป็นมิตรกับชนทั้งปวงและความเป็นมิตรกับใครๆย่อมไม่อํานวยประโยชน์ให้กแก่เราแต่โปสังเกตเราคำเป็นมิตรในที่นี้ไม่ได้หมายความเป็นมิตรในเรื่องอื่นนะครับเป็นมิตรในเรื่องของการมสันทวะ คือความเฉยชิดกันมีเพศสัมพันธ์การกา ร, การมีครอบมีครัวอย่างที่นางก็วางแผนก็ทํากันมาโดยดําดับเนี่ยมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรแต่ว่าสิ่ง น, นั้นพระองค์ก็ได้ทิ้งมาแล้วนะะตอนที่มาคันดิยะพราหมณ์กับมาคันดิยาพระมณีนําหลานสาวกับนางมาคันดยามาถวายพระพุทธเจ้าเนี่ย รับสั่งเล่าประวัติความเป็นมาของพระองค์ให้ท่าน mm. ทั้งสองรู้ว่าท่านเป็นพระพุทธเจ้าเป็นใครมาจากไหนมีความเป็นมาอย่างไงเนี่ยในตัวฉุสุดท้ายนี่รับสั่งเสียแทงใจนางมาคันดียามากแล้วสั่งเป็นใจความว่าพระองค์ไม่สามารถจะถูกต้องแบบที่ดาของท่านได้แม้ด้วยเท้านะเประ้นร่างกายของมนุษย์เนี่มันเหมือนกับหม้ออุจจาระห ม, ม้อจายละที่เต็มไปด้วยของโสโครกปป นะพระองค์มไม่สามารถจะถูกต้องได้แม้ได้เท้านั้นเป็นการแสดงเขาเรียกว่าถอนลูกศอนคือความกำหนัดความพอใจในรูปร่างกายของลูกสาวนะฮะแต่ว่านามาคันดิยาคัดเคืองมากแข้งเคืองมากในขณะที่พ่อกับแม่บรรลุอนะคาคามีผลเลยผลโทษของกามคุณชัดเจนแต่นามาคันดิยานั้น อุนวัฒนาอย่างอ่อนด้อยก็เลยมองพระพุทธเจ้าเป็นสัจจูทั้งทั้งที่ความจริงนะความจริงก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยร่างกายเราก็คือป่าช้าใหญ่โดยเฉพาะในท้องเราเนี่จะมีป่ป่าช้าของสรรพสัตว์สารพัดอนเอกนกนันท์เท่าไหร่ก็ไม่รู้มันก็อยู่กันเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคาพูดประโยคเดียวกันคนสองคนได้บรรลุมรรคผลเป็นปานาขามีคนหนึ่งผูกอาฆาตพยาบาทพระพุทธเจ้าจงเวรจงล้างกันจนยุ่งกันหมดเลยในใน ในการต่อมาเนี่ยปัญะเสนาเนี่ยรูปเสียงกินรสปุถะพะธรรมรมเนี่ยรียกอย่างหนึ่งว่ามารเสนาเพราะในเสนามามันจึงมีทั้งส่วนที่เป็นรูปธรรมแล้วก็ส่วนที่เป็นนามธรรมนามธรรมก็คือกลุ่มกิเลสทั้งหลายนะจะเรียกชื่ อ, อยังไงก็ได้นะกพรกลุ่มกิเลสทั้งหลายแต่สรุปแล้วคือโลกกดหลงนั่นเองพวกที่แตกกิ่งก้านสาขาออกไปจากโลกกดหลง ทีนี้ลักษณะเหล่านี้ก็แสดงถึงคุณคุณสมบัติของพระอรหันต์อีกอีกวิธีหนึ่งให้ดูนะเป็นผู้ผู้เดียวเพ่งอยู่ได้รู้ความบรรลุ ป, ประโยชน์ตอนนี้ประโยชน์เป็นประมัตถประโยชน์นะฮะประโยชน์คือมรรคนิพพานและความสงบแผงฮะไทยความสงบแผงใจที่ไม่ถูกกิเลสกุ้มรุมไม่ถูกเนี่ยไม่ถูกกรรมราคะทั้งหลายรบกวนเนี่ย ว่าเป็นความสุขเป็นนิพพานสุขเป็นสุขที่เกิดขึ้นจากจิตใจที่หลุดพ้นไอ้จากจุดนี้มันไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้ใบกระทามิภาพในเชิงการมสันตวะกับใครเพราะว่าการเป็นเช่นนั้นไม่อนวยประโยชน์อะไรแกพระองค์นะฮะไม่ใช่แก่ทุกคนเพราะถ้าถ้าเรามองสังเกตให้ดีพอเวลาพูดเรื่องระดับนี้มันจะไม่พูดกับชาวบ้านทั่วไปหรอก เป็นว้ยแต่ว่าท่านผู้นั้นได้รับการฟ้อกัตยาใสายขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงกรรมทีนบแล้วเห็นโทษกองกรรมแล้วจึงแสดงเนคขมานิสงในสงที่ออกจากกรรมนะเช่นธรรมจักเนี่ยเราจะเห็นว่าบพิเจเ ต, ตนะนเสวิตตพาณะนเสวิตตพาบันปชิตไม่ควรเสพผู้เฉพาะนัก บ, บวชไม่ได้พูดกระโยมหรอกโยมก็ไม่ได้ว่าอะไรนะเป็นการปฏิบัติธรรมควรระดับกัน ก็คุณสมบัติทั้งหมดเนี่ย เ, เป็นคุณลักษณะของพระอรหันต์คุณลักษณะของพระอรหันต์และสมณะสมุจาพรุรหันทั้งหลายก็มีลักษณะอย่างนั้นที่นี้นางตันหาเขาก็กล่าวว่าภิกษุในศาสนานี้มีปกติอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างไหนมากจึงข้ามโอคะทั้งห้าแล้วเวลานี้ได้ข้ามโอคะที่หกแล้ว กามาสัญญาทั้งหลายย่อมห่อมล้อมไม่ได้ซึ่งบุคคลผู้เพ่งฌานอย่างไหนมากอันนี้นางอรารตินะฮะนางอรารติครับทูลถามต้องพวาลองนักเกตนะฮะว่าในสมัยนั้นยังไม่มีภิกษุพระพุทธศาสนายัางไม่เกิดเต็มรูปมีแต่พระพุทธเจ้ากับพระธรรมแต่นั่นเองแต่ก็แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างของความเป็นศาสนาเนี่ย นั้นประกอบด้วยภิกษูภิษูนีสัมมาเนสัมมเดรีนางสิขะมนาอุบาสกปัจสิกานะฮะคือประกอบด้วยนักบวชห้าประเภทแล้วก็ฆราวาสสองประเภทในกลุ่มอุบาสกปัจสิกาแล้วก็ย่อยรายละเอียดออกไปนางก็ถามค่อนข้างลึกซึ้งนะฮะแต่ก็ยอมจํานวนลึกๆก็ยอมจํานวนมีปกปติอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างไหนบ้าง จึงข้ามโอค้าทั้งห้าทีนี้โอค่าทั้งห้าเนี่ยคืออะไรเราจะเห็นว่าโอค้าที่จริงเนี่ยท่านแสดงไว้แค่สี่เท่านั้นเองเพียงแต่ว่าในที่นี้ท่านเอาพวกสังโยช น, นะฮะสังโยชน์ทั้งห้าประการเข้าไปก็กลายเป็นโอค้าก็คือสังโยชน์อะไรล่ะ สักกายทิทิความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยนะแล้วก็ศีลพัตตรมากการถือมั่นโดยศีลโดยวัดโดยข้อปฏิบัติทั้งหลายแล้วก็กามราคบปฏิกะนั่นก็คือสัโ ย, สโยชน์สัโยชน้าข้อแรกนะ แต่ว่าในยะนี้โดยเฉพาะความหมายที่พระอาจารย์นั่นแก้ไว้เนี่ยทัางก็โอโอคาห้านั่นแหละโอคาสีนั่นแหละกาโมคาพะโมคาทิโคะวิโชคานะก็รวมแล้วเป็นสี่เป็น4ี่นั้นก็คือตัวกิเลสและในทีตสุดก็เอากิเลสไอไ อ, ไอวัตถุกรรมทั้งทั้งห้าเข้ามาหมายถึงการเดียวกัเจ้าไม่ตกอยู่ภายใต้อานาจของกิเลส นะ่ะคือเมื่อเห็นเมื่อเมื่อเห็นรูปเสียงกลียนไม่ใช่เมื่อสัมผัสกับรูปเสียงเกลียนรถโพภาพา ธ, ธรรมารมณ์โอค่ากีเกิเล จ, จะไม่เกิดขึ้นเพราะสิ่งเหล่านี้ทวนโอค่าที่6กนะหมายถึงการตรัสรู้นั่นก็เป็นคำถามที่นางอระติเตินถามถามค่อนข้างจะลึกซึ้ง ก็แสดงอย่างหนึ่งนะฮะในแง่มุมของประวัติศาสตร์ก็หมายความว่าพวกมาในที่จริงก็รู้อะไรอยู่พอสมควรเพราะอุเขายืนน ะ, ะอายุเขามากเมื่อเทียบกับมนุษย์แล้วมันไม่รู้จะเทียบยังไงท่านจริงถามคุณสมบัติของพระเพราะว่าอารตินี่ไม่เน้นในการมราคะน ะ, ะอาะติมันเป็นอาการของโทสะทึงลักษณะของโทสะเนี่ย เราจะเห็นว่ามันใกล้กับปัญญานะครับโ ท, โทสะนี่ถ้าลดลดลดลงไปเนี่ยนั้นผูกโทสจริตเนี่ยมันเหมาะสมแก่การเป็นนักบริหารมันมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงกล้าคิดกล้าทํำกล้าพูดกล้าตัดสินใจมีความเชื่อมั่นในตัวเองนั่นคือลักษณะของของกิเลสประเภทโทสะแล้วก็เป็นโทสะจริตเพราะนารติมันก็คือเครือโทสะคําถามค่อนข้างจะคมแล้วก็ลึกซึ้งนะคร พระเจ้าก็ทรงแสดงถึงคุณลักษณะคุณลักษณะเหล่านี้ได้ปรดเข้าใจว่าเป็น น, นัยะหนึ่งเป็นปริยายหนึ่งที่เมื่อใครปฏิบัติได้แล้วเนี่ยปริยายอย่างอื่นที่ไม่พูดไว้มันก็เกิดขึ้นไมาได้บุคคลมีกายสงบแล้วมีจิตอันหลุดพ้นดีแล้วเป็นผู้ไม่มีอะไรๆเป็นเครื่องปุ้งแต่งมีสติมีไม่มีความอะไร แต่รู้ทั่วซึ่งธรรมมีปกติเพ่งอยู่ด้วยฌานที่สี่อันหาวิตรกไม่ได้ย่อมไม่กาเริบไม่สั้นไปไม่เป็นผู้ยอ่อท้อภิกษุในศาสนานี้เป็นผู้มีปกติอยู่ด้วยธรรมเป็นเครื่องอยู่อย่างนี้มากจึงข้ามโอคาทั้งห้าได้แล้ววัดนี้ข้ามโอคาที่หกแล้วกรรมสัญญาทั้งหลายย่อมหอมล้อมไม่ได้ซึ่งภิกษุผู้เพ่งฌานอย่างนี้มากนี้ก็เป็นพระพุทธธร ร, รัตตจัดต่อ ต้องฟังทงั้งหลายแต่หลวงปโพธยานในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, งอกงามไปบุญในธรรมจุมมีแต่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายโดยโทงกันสวัสดี